บุ๊กท <two> ูสี่สิบซรกการสอบถามทางปิตัดาขอโทษครับพระบชช่วยผมทีได้ไหมครับนิมลิปวิมยามัช แ่านี้มีร้านอาหารดีๆดไหมครับ <de> <an> เลี้ยวซ้ายที่หัว ม, มุมครับต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ em, ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ И пройдите сто е м Вы можете сесть на автобус. Так Вы можете сесть на трамвай. Так Вы можете просто проехать за мной. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ Як мне п р о й ประเทศเดฟุตบ о ลในห้องสตดียะข้ามสะพานไปครับรลอดอุโมงไปครับรขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ